รมูุว่าประกอบด้วยลักษณะเท่าไหร่เห็นมหครับเพราะฉะนั้นในนี้เขาจึงวินิจฉัยตั้งแต่จะเอาลักษณะเท่าไรเอาเต็มสามสิบสองหรือหรือเอาบางส่วนก็ได้มันกํากนนะเพราะฉะนั้นคําถามที่สองจิงถามเพื่ออุดช่องกับกนตรงนี้ต่อไปว่าต่อไปว่าเราไปดูเมื่อเราถามอย่างนี้ก็าตอบป่าใช่แต่คําตอบว่าใช่ของเ้าเนี่ย ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าประ ก, กรอบด้วยลักษณะทั้งสามสิบสองหรือว่าเพียงบางอย่างผมจะจี้ให้หข้องโวนิดนึงขยายัวนี้กนอนประ ก, กรอบด้วยลักษณะจะพูดแค่นี้นะครับไม่ได้ใส่สามสิบสอง คู่ประกอบด้วยลักษณะเป็นพระโพดีสัตว์ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่แล้วก็เหมือนจะบอกว่าความเป็นโพดีสัตว์นั้นอยู่ที่ลักษณะนะฮะความเป็นโพดีสัตว์อยู่ที่ลักษณะใครมีลักษณะคนนั้นต้องเป็นโพดีสัตว์ถูกหรือไม่ถูกไม่ถูกครับเราลองว่าทั้งสองเลยก็ได้เช่น ประกอบด้วยลักษณะบางส่วนประกอบด้วยลักษณะบางส่วนเป็นพระโพธิสัตว์ไหมแล้วก็ประกอบด้วยลักษณะทั้งหมดสามสิบสองเป็นพระโพธิสัตว์ไหะเราดูสามสิบสองก่อนถ้าประกอบด้วยลักษณะครบทั้งสามทั้งสามสิบสอนั้น ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระโพธิสัตว์เสมอนะครับคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้แล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้เอาที่นี้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจริงๆเราก็ต้องแบ่งเป็นสองคือพระเจ้าจักรพรรดิที่ ไม่ได้เป็นโพธิสัตว์มีใช่ไหมคนบางคนเขาต้องการเป็นแค่พระรจ้ากระพัดแต่ไม่ต้องการเป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นอุติจัาอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นพระรจ้ากระพัดด้วยแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยก็มีเช่น พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่สมควนพระเจ้าเป็นประเจ้าสกพัณฑ์อันนี้ท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยแต่พระโพธิสัตว์ตามความหมายที่แบ่งไว้ตรงนี้หมายถึงครับโพธิสัตว์ในชา ต, สติสุดท้ายครับก็หมายถึงจะไดตรรปปะ้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองในชาตสุดท้ายนะไม่ได้หมายถึงพระโพธิสัตว์ที่ กำลังสร้างบารมีอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ถึงพระชาติาุตานอันนั้น ก, ก็แยกออกไปก็ถือว่าจักเป็นไฟพระเจ้าจะกับอัตขังบนไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะแม้ครบทั้งสามิสองก็ไม่ใช่ว่าจะาเป็นปรัโพ ธ, ธิสัตว์ในพระชาติาุตาคือจะได้สละรุ้เสมอไปทุกคนต้องแบ่งออกเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ก็เสียแล้วตำโกมแล แต่ น, นี้ถ้าจักหมายถึงลักษณะเพียงบางส่วนใครก็ตามที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งในสามสิบสองประการเนี่ยจะถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็เลยเหมือนจะต่อความว่าความเป็นโพธิสัตว์นั้นเป็นที่ลักษณะเหมือนจะอยู่ที่นั่นนะเพราะฉะนั้นในปัญหาตรงนี้จริง ได้แสดงคำถามที่สองเพื่อคัดค้านตรงนี้ไปก่อนนะครับมันมันกำกวตรงนี้เราเลยดูคำถามที่สองซเลยนะครับในคำถามที่สองนั้นเราจึงถามแยกแยกเพื่อทำลายความเข้าใจที่อาจจะผิดไปว่าความเป็นโพดิสตั์อยู่ที่ลักษณะแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างหนึ่ง ในคําถามที่สองนะครับคำถามย่อยที่ส่วนเรียกว่าประเด็นย่อยที่หนึ่งผู้ที่ประกอบเป็นลักษณะบางส่วนเป็นคาโพติสัตว์บางส่วนหรือบางส่วนนั้นหมายถึงไม่ถึงหนึ่งในสามนะผู้ประกอบเป็นลักษณะหนึ่งในสามส่วนเป็นคาโพติสัตหนึ่งในสามส่วนหรือ ผู้ประกอบด้วยลักษณะกึ่งหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์กึ่งหนึ่งหรือ巴拉วาทีตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เพราะว่าความเป็นโพธิสัตว์นั้นไม่ได้อยู่ที่ลักษณะนะครับว่าใครคนใดคนหนึ่งสร้างบา ร, รมีเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์แล้วแล้วก็มีลักษณะค่อยๆขุดขึ้นทีละส่วนทีละส่วนแต่ชาติใดเป็นชาตสุดท้ายลักษณะก็ขุดขึ้นมาครบสามสิบสองประการ ความเป็นโพดิสัตนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ถ้าเป็นโพดิสัตย์แบบไม้ไมายเอาเฉพาะชาติหรืต้นี่นะหรือรวมชาติหรือ้ า, ายด้วยก็ได้หมายอยู่ที่การอธิษฐานนะครับการปฏิฐานและเป็นนิยต์ศัตด์โพดิสัตย์ประตำเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงพยากรณรับรองว่าบุคคลผู้นั้นจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้รในสมัยนั้นสมัยนี้ก็ชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตย์อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะ อ่าอันนี้ก็เป็นการปฏิเสธว่าความเป็นโพธิษฐ์ไม่ได้อยู่ที่หน่าทีนี้เมื่อความเป็นโพธิษฐ์ไม่ได้อยู่ที่ลักษณะแล้วทาไมดูลักษณะแล้วรู้ได้ว่าเป็นเพระโพดิษฐ์ในดักรอบตาทสองนะก็เพราะว่าลักษณะอันนี้ก็ไปเข้าลักษณะวิชาหมอดูนะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อ ม, มันก็ยังวิสูน์ไม่ได้แต่ว่าตาอธิบายแบบไม่ไปนสนใจหมอดูอธิบายตามลักษณะเรานี่นะก็ถือว่า เรื่องของบุญกุศลที่บุคคลทำไว้นั้นย่อมต่อให้เกิดกรรมชะรูปที่ดีๆกรรมชะรูปที่ดีแล้วก็พฤติกรรมอาการิยายที่ดีต่างๆเพราะฉะนั้นเรามองจากลักษณะของคนเนี่ยเราก็พอจะอนุมาน ร, รู้ได้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนอย่างไรหรือเป็นคนมีบุญมากบุญนอ้อย นีผมก็ไม่ไม่ไม่กล้าไม่รับรอง น, น, นะครับแต่ว่าในหลักตรงเนี้ท่านยืนยันในง้นจริงอันที่ว่าไม่รับรองคือไม่ไปผอนยุ่งประเรื่องโหราศาสตร์ครับแต่ในนี้รับรองจริงๆก็เพราะว่าในมหาโพลิสารลักษณะสูตรนั้นได้แสดงอุปกรรมมาไว้ด้วยว่าการที่พระองค์ตรงมีเช่นว่ามีฝ่าพระหัสนิ่มฝ่ามือนิ่มเนี่ยทางโหราศาสตร์เขาก็ถือว่าเป็น ลักษณะที่ดีนะครับใครที่เนี่ก็ว่านี่เล่าให้ฟังนะจริงไม่จริงผมไม่ไปยุ่งกับตั้งหลอกใครที่มือแข็งกระด้างมือบางแทบจะไม่มีเนื้อติดมือเลยเนี่ยก็ชีวิตค่อนข้างจะลํบาบากก็ลองไปดูออกมาแล้วกันแล้วใครที่มีฝ่ามืออ่อนนุ่มหนาเนื้อวิ่งมีเนินมีผิวเนื้อแดงก็ดูได้ทั้งสีทั้งเลยนตั้งแต่ความยืดหยุ่นของเนื้อ ชีวิตของคนก็นั่นจะสบายและถือว่าเป็นคนที่ดีบุญน่อยนะนี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่นี้พระพุทธเจ้าได้ทำอะไรไว้ที่ทรงมีมือกว่าประหาดนี่ในนั้นก็ได้กล่าวว่าได้ทรงเรียกว่าทมอัดอัดภัยริยาอัตตาจริยาคือประพฤตตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นคือเอวขนขวายใงกิจของคนอื่น แต่มันมีหลายข้อในหลายเรียนก็เลยเกิดมาได้รับลักษณะที่ดีเก่งดี น, น, นีเป็นต้นนะผมก็ไม่ได้เก็บเอาลักษณะตาที่สองมาทำแผนใสให้ดูก็สรุปว่าตามพุทธคตปกะทรงถือว่าลักษณะใดๆของบุคคลย่อมได้ข้อบุญบุสลของคนคนนั้น อันี่เราอาจจะนึกสงสัยว่าเอากบางคนก็ก็มีบุญมากแต่ทำไมลักษณะก็ไม่ดีก็มีใช่หรือเล่าใช่อย่างเช่นนางปันจาปาปีเป็นต้นหรือพระพระอลหารตข่อมองหนึ่งในสมัยสมุทิยจกักรก็ลักษณะไม่ดีแต่ว่า ท, าท่นานเป็นพระอรหันต์แล้วเรื่องนี้ก็อธิบายได้อีกครับว่าเพราะว่าบุญกุศลของคนแต่ละคนเนี่ยบางทีมันไม่ มันไม่บริบูรณ์หรือไม่เสมอภาพไม่ได้สัดส่วนกันนะครับบางคนเนี่ยทำบุญมาได้สัดส่วนกันเช่นทานก็ทำศีลก็ทำภาวนากระทำะนี่เป็นเหตนหนึ่งนะหรืออีกอธิบายอย่างหนึ่งว่าเมื่อบุคคลนั้นมาถือกำเนิดเกิดในชาตินั้นนะหรือในจังหวะชีวิตนั้นั้ น, น, นกระทำอธิบายได้หลายแบบสมมติในชาตินั้นนั้นคนคนนั้น เขาได้มาเกิดด้วยปุสลกรรมอย่างหนึง่งเชจนว่าเกิดด่วยปุสวรการอ่ อ, อนอ่อนน้อมถ่อมตนทําให้ได้เกิดในชาติตระกูลสูงแต่คนคนนั้นเขาได้เคยทํากรรมเบียดเบียนคนอื่นไว้เช่ได้ทํากรรมเบียดเบียนทําให้ตาคนอื่นเสียหรือทําให้ขาคนอื่นเสียคนนั้นแม้มาเกิดในชาติตระกูลสูงแต่ก็ต้องเป็นคน อวัยวะพิกาเหมือนอย่างพระราชโอรสของพระเจา้าเอกทัศเป็นต้นเนีย่ยตาท่านเสียแต่ดูเหมือนว่า ร, ราชโอรสของพระเจา้าเอกทัศนั้นจะเสียภายหลังนะผมจะไม่ได้เสียแต่กาเนิดนั่นก็เลยครองราชยูไม่ได้กี่วันโดนปฏิวัติแล้วก็ไม่มีทางจะสู้ลงจกมืออันนี้เรียกว่ามีกรรมที่มาส่งผลในชาตินั้นๆเนี่ยครับมันมันเรียมีอุปสงค์มาแทรก จึงทําให้เกิดลักษณะเสียขึ้นในตัวของบุคคลแต่ละคนนั้นเราจรึงเห็นเราสังเกตดูในสังคมเราเนี่ยหรือกระทั่งตัวเราเองด้วยก็เรเียกว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนี่เราไม่พูดถึงนิสัยนะพูดถึงรูปลักษณะของเราเนี่ยบางคนก็อาจจะมีการพูดการยาดีแต่ว่าบุคลิกไม่ดีหรือว่าคนก็บุคลิกก็ดีการพูดการจา ก, ก็ดีหลายๆอย่างปนกันหรือบางคน อ, อ สติปัญญาอาจจะไม่ดีแต่อายุยืนก็มีในทางนั้นแหละเราก็พิเคราดูตามหลักการของกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักการที่จะพิจนารณาได้ไม่ผิดนะฮะก็ย <c oughs> <c oughs> ืนยันได้นะครับปรลักษณานั้นเกิดจากกรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของหมอดูก็คงจะมีส่วนเกิดการอย่างนี้ แต่ความเป็นโพธิสัตว์นั้นไม่ได้ถือว่าต้องผูกพันอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ผูกพันที่นี่เพราะฉะนั้นเราจะไปถือว่าใครมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะต้องเป็นโพธิสัตว์นี่ไม่ได้ไม่ได้แม้กระทั่งมีครบสามติดสองก็ยังไม่ได้เพราะว่าเป็นพระเจ้าจอมอัปจะก็ได้ต่อความเป็นโพธิสัตว์นั้นย่อมอยู่ที่เจตนาปรารถนาด้วยแล้วก็มีบุญมากแต่บุญนั้นก็ทําให้ ท่าถึงพร้อมด้วยหลักษลังสามสิบสองพระเจา้าจักรัรรดก็ได้ทำบุญมามากในหลนักษนะสานทิ่สองเหมือนกันแต่ไม่มีเจตนาที่จะได้เป็นตบุตริจ้าก็มันถือว่าเป็นพระโภธิสัตดูข้อสามต่อไปนะครับข้อสามนั้นจะเห็นว่าท่านได้ตั้งปัญหาถามเพื่อแยกเอาความกำหนัวมีส่วนหนึ่งออกไปคือ จักรวัติสัตร์เป็นผู้ประกอบด้วยลักษณะจักรวัติศาต์เป็นโพธิสัตรหอื่อันนี้ก็ต้องการจะถามเพื่อแยกเอาจักรวัติศาสตรํคว่าจักรวัติศาสตร์นั้นหมายถึงบุคคลผู้ที่มีอนาคตจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดิแต่ในที่นี้เขาหมายเราจะพ่อในชาตที่จะได้เป็นน้นะครับจะจะเป็นชาติอื่นที่เรียกว่ายังสร้างบุญกุศลอยู่ ก็ยังไม่นับเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่ท่านก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดหรอกครับปฏิสนธิขึ้นก็จะเริญเติมโตแล้วก็ได้คลอดได้จเจริญไวขึ้นโดยลําดับกระทั่งแม้ได้รับราชาสมบัติจากพระราชบิดาแล้วก็ตามหรือได้รับสามนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ตามแต่ยังยังจับว่าเป็นจักรวรรดิศาสตร์อยู่แลวนวดีต่อเมื่อใดมีจักรรัตนะปรากฏ ก็จะเป็นประเจ้าเจ้ า, าพัฒม์เมื่อนนั้นไม่ใช่เป็นจา ก, กระวัติศาสตร์แต่ลักษณะสามสิบสองนั้นได้มีมาตั้งแต่เกิดมีมาตั้งแต่เกิดซึ่งหมายความว่าตั้งแต่อวัยวะนั้นนั้นได้เกิดขึ้นมาใดและอวัยวะนั้นๆจะพึงเป็นที่ตั้งของลักษณะอย่างใดอย่างห น, นึ่งในสามสิบสองประการก็ถือว่ามีเมื่อนั้นนัะนัปนพระเจ้าเจ้ า, าพัฒหรือจักรวัติีาสตร ก็มีลักษณะสามสองประการเหมือนกันทีนี้เมื่อเราถามอย่างนี้นะครับว่าจากวัติศัตร์เป็นผู้ประกอบลักษณะจากกวัติศัตร์เป็นพระโพธิสัตว์หรือพอถามอย่างนี้พระวาทีตอบแบ่งเป็นสองอย่างนะครับทีแรกตอบว่าไม่ใช่เอาไม่ใช่นั้นเขาหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะค พระเจ้าจักรพรรดที่ไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยเช่นพระเจ้าสังข์ขันะหรือพระโพธิพระเจ้าจักรพรรดิที่ปรากฏในจกักรวรรดิสูตรแต่ละองค์แต่ะองค์ที่เกิดเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสืบต่อติดติดกันตั้งเจ็พระองค์พ่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิลูกก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหลานก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลีงก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิติดติดกันไปเป็นเจ็ดพระองค์มาเสียองค์ที่แปด เพราะว่าไม่ได้ประพืชจักรวรรดินิยมก็เลยไม่ได้เป็นออย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ทีนีี้ท่เป็นโพธิสัตว์ก็มีในนี้จริงตอบคั้งที่สองไหว้ไทยว่าจักรวรรดิสัตว์เป็นผู้ประกอบมิลักษณะจักรวรรดิสัตว์ก็เป็นโพธิสัตว์หรือคำตอบไม่ใช่เท่าไหร่จรงตะเจ้าจักรพัรดองค์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยนะฮะพระโพธิสัตว์แต่ซึ่งก่อนก่อนพระเจ้าสุดท้าย แพระชาติสุดท้ายนั้นจะต้องเป็นอย่างเดียวนะเป็นอย่างเดียวไม่เป็นพระโพธิสัตว์ถ้าไม่เป็นพระเจ้าก็ผัดเป็นพระโพธิสัตว์แลกจะได้เป็นพระพุทธเจ้าคนนอ้นในนี้จึงตอบพระชายก็ก็แบ่งแบ่งความเป็นสองอย่างเพื่อไม่ให้ปะคนกันนะก็อย่างนี้นะตอนที่สองก็คือที่ผมเขียนให้ดูนะครับเขียให้ดูว่า อยู่บนี้ด้วยกระดาษสีผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะพระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยลักษณะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระโพธิสัตว์หรือก็บอกว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ถามว่าผมถามว่าพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยได้ไหมได้แล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระโพธิสัตว์เสมอไปไหม ไม่ไม่เสมอไปเนี่ยฮะอย่างแบ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบลัก ษ, ษณะสามสิบสองประการเนี่ยพวกหนึ่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพวกหนึ่งเป็นปร พ, พนนระโรรกกระพธิสัตว์จักรพรรดิที่ไม่เป็นพระโพธิสัตว์ก็มีเพราะฉะนั้นที่เขาตอบปฏิเสธนั้นเ้าหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิที่ไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยแล้วเขาตอบรับภายหลังนั้นเขาหมายถึง